p e t i b a n a n ต่างหน้าปฏิบัติกรรมฐา น, ต, นต้องมีปัจิรักษาใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเพื่อจะให้จิตของตัวสงบคือหักห้ามอารมณ์สัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นผ่านมาทาง ภายในและภายนอกที่พิจารณานะในส่วนของธรรมะสี่ใจของเรามันหมาย <c oughs> ให้สอยใจในธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้อะไรเป็นอะไรจะ <c oughs> พิจารณานะเรื่องท่าเรื่องขัน ที่เปนอาเรงรูปเรียงนามก็โลกเหล่านี้ <c oughs> ไม่มีอื่นนอกจากรูปจากนามที่จิตของพวกเรามันฝ่ฝันหลุ่มหลงรูปกหมายถึงรูปทั่วไปจะเป็นรูปบุคคลสัตว์หรือวัตถุที่มีอยู่ในโลกที่เรามองเห็นโดยตา อยวว่ารูปนามก็หมายถึงเวทานาหรือความสุขทุกเฉยๆสัญญาความจำหมายสังขารความปรุงจิตในจิตในใจวิญญาณความรับรู้ยวว่าวนามรูปก็กกดีนามก็ดี มันมีมาแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าท่านก็อาศัยสิ่งที่มันมีอยู่นี่แหละที่ทจะแกนาสำราญใจของพระองค์จนบริสุทธิ์หมดจดเพราะความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นหลงไหลไฝ่ฝันพวกเราท่านการมาประิบัต ตัวต่องที่นี้พี่เจนาะในธรรมะคือรูปปฏิธรรมนามธรรมเหมือนกันถ้าจิตในหลงเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมาก่อควนให้ตัวของตัวเดือดร้อนเป็นทุกข์เพราะความรักความเบียดชังต่างๆนี่เพราะจิตหลง ในรูปในนามจึงไปยึดถือสิ่งต่างๆต้นว่าของต น, ตนจิตใจก็เลยเกิดความติดข้องยึดถือ <c oughs> เกิดทุกข์เกิดโทษแต่รับความไม่สุขไม่สบายเท่าที่ควรดังนั้นการมาปฏิบัต อยู่ในวัดในป่าเราต้องต่างหน้าต่างตาที่ีี่เจรนาศึกษาด้วยสติด้วยปัญญาของตัวสติคือความรู้อยู่ตลอดเวลาจะไปจะมาจะยืนจะเดินจะนัง่งจะนอนมีสติแนื้สอนตัวของตัวอยู่เสมอพูดง่ายๆก็ให้มีสมณะนะสัญญา คือทราบว่าเราเป็นสมณนนะผู้รักษาความสงบ ก, การรักษาความสงบไม่ใช่บ่ายจะไม่ยืนไม่เดิน <c oughs> ไม่กินไม่ดื่มไม่พูดไม่คิดจึงเรียกว่าสงบถ้าอย่างนั้นหัวต่อดอ ก, ก่อนหินกวอนดินซึ่งมันใน เคลื่นอนที่ไปที่ไหนไม่ได้ทำอะไรก็ได้ชื่อว่ามันเป็นสมณะมีไม่เป็นอย่างนั้นสมณะหมายถึงผู้ที่ํำระจิตใจของตัวชื่อเสียต่างๆให้ตกออกไปหลุดออกไปมีสติรักษาอยู่ภายในกายจะทำอะไรถึงเป็นไปเพื่อความ ชั่วเสียเบียดเบียนตัวเองคนอื่นก็ให้ทราบหักห้ามอย่าให้ไปทำวาจะจะพูดอะไรซึ่งเป็นไปในทางชั่วเสียผิดจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนก็หักห้ามเอาไว้เพราะมีสติทราบว่าเราจะพูดมีปัญญาสอนและใส่ตองตรวจตา คำพูดที่จะพูดไปนี้ดีชั่วอย่างไรถ้าเป็นไปทางชั่วทางเสียก็หาก้ามวาจาของตัวเอาไว้ตายของตัวเอาไว้ไม่ให้พูดให้ทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งใดที่จะนำความสุขใจมาให้ ทำไปพูดไปไม่เป็นภัยอันตรายเขาทำต่อเราเราก็ชอบใจไม่เดีนีวจำมิตีโทษคนที่ทำอย่างนั้นเขาพูดกับเราเราก็ชอบใจไม่ได้๋ยวจมิเข า, าพูดชั่วพูดเสียอะไรเราควรพูดควรทํสิ่งอย่างที่เราคิดว่ามันไม่ผิด ถ้ามันผิดผิดมันไว้หักห้ามกายวาจาใจไม่ให้ทำไม่ให้พูดไม่ให้คิดนี่คือการปฏิบัติเพื่อสมณะละสิ่งที่ชั่วคําเช่นสิ่งที่ดีที่ก่อประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสัตว์อื่นมีความส ง, งบ ทางกายทางวาจาทางใจสงบจากทุกจากโทษจากภายัยไม่ใช่สงบไม่ได้เดินไปไหนไม่ใช่สงบไม่ได้พูดอะไรไม่ใช่สงบไม่ได้คิดอะไรคิดอยู่ทำอยู่พูดอยู่แต่การคิดการพูดการทำเหล่านั้นไม่เป็นภัยอันตรายคนหรือสัตว์คือใดเขียนใด้ยิน เขาไม่ตำหนินินทาว่าชั่วชาว้าเสียหายนี่คือสมณะรักษาความสงบจากชั่วอยู่ตลอดเวลาความจริงความชั่วอธรรมท้าหาจิบละเอียดเข้าไปสุดจิตใจของตัวให้เป็นอาจเป็นธรรมจริงจังสิ่งเหล่านั้น พะมันเกิดขึ้นไม่ต้องพูดไม่ต้องทำมันช่ามันจะเทียนใจเพราะสิ่งเหล่านั้นมันหยาบเป็นอารมณ์ที่หยากเป็นความคิดความปุ้งที่หยากผู้คนเพื่อปฏิบัติธรรมจิงทราโดยมตสองคนมีคนอื่นมาบอกมาสอนเพราะสิ่งที่ชั่วที่หยากนั้น <c oughs> มันจะเทียนใจ พอเกิดขึ้นมาก็ขับไล่ปัดเป่าออกไปจากใจของตัวมีกคู่ปฏิบัติธรรมถ้าเขา้าถึงขั้นละเอียดโ <c oughs> ดยไม่ต้องตั้งสติเอาไว้แต่สติมันเป็นมหาสติในตัวของมันทราบอยู่ทุกระยะทุกเวลามันรักษาตัวของมันเองกำจัดขับไล่สิ่งที่ชั่วเสหายออกไป เหนื่ใจมีอัดมีทำรร ม, มีความสุขความสงบเป็นสมณะเป็นพระเป็นเมรเป็นนักปฏิบัติอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขอยู่สถานที่ใดก็สงบไอสถานที่ใดก็เป็นสุขขัตโตในนาความเดือดร้อนให้แกสัตว์อื่นคนอื่น แม้แต่ตัวเองมีความร่มรื่นเยือกเย็นสุกสงบนี่คือการปฏิบัติปฏิบัติกายปฏิบัติวาจชาปฏิบัติใจของตัวละชั่วบําเพ็ญดีมีสติปัญญาอยู่ภายในเรียกว่าสมณนะคือผู้สงบจากบาปบาปเป้หมายถึงความเดือดร้อนบาปเปหมายถึงทุกข์โทษ เรยหมายถึงสิ่งอื่นจิตใจทื่จิตปุงวุ่นวายกระสับกระส่ายตามกิเลสปัญหาสัญญาอุปาทานต่างๆนั้นมันเป็นกิเลสมันเป็นค่าศึกของความสงบเป็นค่าศึกของความสุขของใจท่านจึงให้ปัดเป่ามันออกไป ที่เจรนาแก้ไขความจริงจิตใจที่ไปจิตรุงรุ่งเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นมันขาดธรรมะขาดปัญญาถ้าหากมีปัญญามันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาให้จิตยึดเหนี่ยวให้จิตลุ่มหลงพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปในสิ่งนนันั้น ให้ทราบให้ปอยใจตามเป็นจริงของมันหากไมมีปัญญาถึงจะมีความรู้ภายนอกโดยการเกจํจำมามันรักษาไม่ได้เพราะขาดสติขาดปัญญาปัญญาทางโลกมันจึงแกไขขับไล่เรื่องจิตใจของตัวสิั่วดเสียไม่ได้มีปัญญาเรียนมาสูงขนาดไหนใจก็ยังลุ่มหลง ตข้อในสิ่งต่างๆถ้ามีปัญญาทางธรรมสามารถที่จะกลับกุงจิตใจของตัวที่ชั่วเสียให้สงบให้สุขให้เย็นได้เพราะผู้ที่ล่มหลงยึดถือต่างๆนั้นมันมีปัญญาเหมือนกันแต่มีปัญญาทางโลกยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ ว่าดียึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ว่าชั่วจิตไม่รู้ไม่ขอใจตามเป็นจริงในสิ่งนั้ น, น, นคือดูผิวเผินไม่ได้ดูละเอียดปัญญาในจิตตามจนถึงที่สุด ข, ของมันว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่เพียงไปเห็นไปได้ยินเท่านั้นก็ยึดถือกัน มันจึงเกิดทุกเกิดโทษในสมหวังในสิ่งที่ตัวเห็นตัวได้ยินแบ่นนั้ น, นเรื่องตนมันก็ชอบอานไปมันก็เบื่อเรื่องตนมันก็เบื่อต่อไปมันก็ชอบมันพลิกงาพลิกหลังอยู่อย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านคือมันไม่เห็นตามเป็นจริงบางทีมันยินดีบางทีมันยินร้าย <c oughs> บางทีมันถือว่าชั่วบางทีมันถือว่าดี <c oughs> มันเป็นในจิตในใจของตัวเองถ้าชอบพอแล้วถึงสิ่งนั้นจะเป็นของชั่วมันก็ถือว่าเป็นของดีถ้าไม่ชอบพอถึงสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของดีมันก็ถือว่าชั่วนีค่คือจิตขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะแต่ผู้ที่มีสติมีปัญญามีธรรมะในตัว ท่านทราบทั่วทุกอย่างตามเป็นจริงแล้ววางปล่อยละถอนจิตใจไม่เกาะไม่ติดไม่ยึดไม่ถือในสิ่งเหลัานั้นใจจริงสงบใจจริงสะอาดใจจริงสุขใจจริงสบายทา่าทางที่เรื่องเหล่านั้นมีเหมือนทันตาของท่านก็ไม่บอกหูอของท่านก็ไม่หก กายของท่านใจของท่านก็มีเหมือนกันกันกบพวกปุถุชนสัตว์บุคคลทั่วไปแต่ท่านไม่หลงไหลไม่ติดข้องเพราะสติเพราะปัญญาเพราะธรรมะมีไม่เหมือนพวกเราธรรมดาตาเห็นหูได้ยินชอบสิดคิดตรงไปต่างๆก่อทุกข์ก่กอโทษให้แก่แตัวถ้าชอบเข้าก็ยินดีอยากได้ ไม่ได้มาตามต้องการข้องตัวก็เกิดความทุกข์ขึ้นถ้าไม่ชอบเข้าก็ทำนองเดียวกันอยากขับไล่ใสหนีไม่อยากดูไม่อยากได้ยินสิ่งเหล่านั้นแต่มันก็มีอยู่ในโลกเราจะหลบหลีกตีกตัวไปที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรจะให้ถูกใจของตัว โดยถ่ายเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสจึงผิดหวังร้องไห้ผูกคอตายจินยาตายกันเพราะไม่รู้เท่าทันในจิตในใจของตัวเมื่อมันชอบก็หลงไหลเมื่อมันไม่พอใจก็เดือดร้อนมันเป็นมาอย่างนี้นี <c> ่ <oughs> คือคนที่ขาดสติขาดปัญญาขาดธรรมะ คนไม่มีธรรมะจังจงเป็นของที่ไม่น่าดูจะเป็นคาราวากว่อตามเป็นพระเนก่อตามไม่น่าดูเหมือนกันกับหมาที่ไม่มีขนถึงตัวมันจะใหญ่จะเล็กเท่าไรก่อตามถ้ามันไม่มีขนเราไม่น่าดูหมาถ้ามันมีขนเราหน่าดูหรือไก่ไม่มีขนก็เหมือนกันคนไม่มีธรรมก็อย่างนั้น ไม่น่าดูไม่น่าชมทำที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะอาศัยการฝึกการปฏิบัตินี่คืว่าเกิดมาแล้วจะไม่ปฏิบัติอะไรธรรมะค่อยจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นแต่ความจริงธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นมันเป็นธรรมะธรรมชาติเช่นความแจ็บ เราไม่ต้องปฏิบัติอะไรมันก็แฉเรื่อยไปแต่ใจของคนที่ไม่มีธรรมะหลงไหลเมื่อแฉไฟไม่ชอบใจจึงมีการแรร่ไขปรับปรุงอย่างนั้นอย่างนี้หญิงคนมีเงินมีทองลุ่มหลงไปในรูปในเสียงในกิเลสตันหานักแน่นเท่าไรก็ยิ่งแฉไขเรื่อยไปไม่อยากแก่ หนังสิมันหย่อนมันก็ตัดออกเย็บให้มันตึงให้มันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันโกไม่มีทางทําได้กว่าชั่วระยะสันส้นๆเดี๋ยวก็เป็นไปอีกนี่คือธรรมชาติมันเป็นจริงอยู่อย่างไรเราจะแจกไขให้มันหายไปไม่ได้ ทางธรรมะจึงเรียกว่าอาริยสัจคือมันจริงตลอดเวลาใชรจะแะขายขนาดไหนมันก็ไม่มีทางที่จะหายไปหน้าที่เพรมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นไปเรื่อยๆหากคนมีธรรมะเข้าใจในสิ่งนั้นตามเป็นจริงของมันมันเกิดขึ้นก็ทราบว่าความแก่นี้ หน้าขี่ของมันเป็นไปอยู่อย่างนั้นจะหลงไหลขนาดไหนมันก่อแก่ไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นก็ไม่ตื่นเต้นเพราะจิตใจเป็นธรรมะทราบว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติของมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมามันจะต้องเป็นไปอย่างนั้นจะเป็น สิ่งที่มีชีวิตหรือหาชีวิตนี้ได้มันก็เป็นอย่างนั้นของใหม่มันไม่เสจะใหม่อยู่เรื่อยไปสิ่งเอาไว้มันก็ค่อยเก่าไปมีใจชื่อว่าวัตถุนั้นนั้นมันแก่รถเกียร์บานเรือนต่างๆก็ <c oughs> ทำนองเดียวกันมันมีการแก่ของมันทั้งทางสี สิ่งเหล่านั้นคนทั่วไปไม่อยากให้มันเป็นไปโดยเฉพาะร่างกายเพราะพวกเราท่านเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าวัตถุภายนอกเหตุนั้นการพิจาณารูปธรรมนามธรรมพิจารณาธาตุขันธ์ภายในคือดูกายดูใจของตัวเท่านั้นให้ทั่วให้ถึงให้รู้ซึ่งเข้าไปจนใจเห็นจริง มันจึงไม่มีอะไรปกปิดกำบังเอาไว้ทั่วโลกกับธาตุมันเหมือนกันหมดอดีตอนาคตมันเหมือนปัจจุบันเพราะจิตใจเข้าใจอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่าโล ก, กวิถูรู้แจ้งโลกถึงไม่ได้ไปดูถิ่นใดทางใดก่อตามดูแต่กายแต่ใจของตัวเท่านั้นรู้ทั่วในรู้ ธรรมนามธรรมของตัวรูปอื่นนามอื่นซึ่งเกิดขึ้นหรือดับไปแล้วมันก็เหมือนกันกับรูปที่เราดูอยู่ในปัจจุบันไม่มีอะไรผิดแปลกแ ต, แ ต, แตกต่างกันเลยมันจึงไลยมีการสงสัยไม่มีการติดข้องนี่คือการชำระจิตใจของตัวการพิจารณาธรรมะขับ สัญญาอารมณ์สมมุติภายนอกให้หมดออกไปสมมุติอย่างไรก็ให้ทราบตามสมมุติของเขาพูดตามสมมุติของเขาแต่จิตใจของเรามันหมดสมมุติเพราะทราบความจริงของมันเยู่กับทราบอริยสัจเข้าใจอริยสัจ ต, ตามเป็นจริงการพิจารณานั้น มันมีหลายทางที่จะพิจารณาได้จิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่เดือดร้อนเข้ามองต่างๆเพราะขาดธรรมะเขาไปเยียวยาเข้าไปรักษา <c oughs> จินมเกลือเดือดร้อนวุ่นวายเป็นสมณะไม่ได้คือหาความสงบสุขไม่ได้มีแต่ความวุ่นวายสลดคล้องปรุงคิดอยู่ตลอดเวลา ความลุ่มหลงในรูปวัฏฏนาะมธรรมจึงเป็นปัญหาใหญ่ครอบโลกไม่ว่าใครทั้งหมดจะต้องลุ่มหลงไฝฝันเพราะถือสิ่งเหล่านั้นว่าดีว่าชั่วตามสมมติของโลกเหตุที่หลงก็เพราะไมืไ่อที่เจนาะดูให้รู้ทายในรูปในนามของตัวถ้าพี่เจนาะ รูปนามของตัวทั่วถึงเรื่องหลงนันนั้นมันหมดไปตกไปมันไม่มีอะไรที่จะมาปกปิดยั่วยุให้จิตเดือดร้อนวุ่นวายอีกนี่คือการพิจารณาธรรมะคนมีธรรมะเห็นอนิสงส์กระจักชัดเจนในจิตในใจท้องตนเมื่อเห็นอนิสงส์ เมื่อจิตสงบเมื่อจิตมีสติปัญญาสำลักใจได้ความเย็นความสบายมันจึงเกิดขึ้นเตุมันจะเกิดขึ้นจากอยู่เฉยเฉยมันจะต้องอาศัยการที่นิจัยนาฝึกปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ยั่วยุต่าง ให้ตกออกไปให้ใจรู้เห็นตามเป็นจริงในอัตในธรรมความแก่ความเจ็บ ค, ความตายมันมีมาแต่ไหนแต่ไรไม่ว่าการใดสมัยใดมันมีประจอยู่ในโลกความชอบใจความเกลียดชังต่างๆมันมีอยู่ในโลกแต่ก็พอใจชอบใจ ของคนทั่วไปที่ไม่มีธรรมะรุมหลวงยึดถือร้องไห้ตาดำตาแดงมันก็พอใจร้องไห้หัวเราะชอบใจยินดีดื่มใสจนหมดกายถวายตัวอุทิศต่อจริงที่ตัวชอบ ต, ตัวยินดีนั้นมันก็มี ทั้งทั้งที่สิงเหล่านั้นมันมีมาแต่ไหนแต่ไรแก่พวกเราไม่โดยมีธรรมะในใจคือขาดสติปัญญา <c oughs> จึงยึดถือเมื่อยึดถือสิ่งที่ไม่แน่นอนว่าเป็นของแน่นอนสิ่งที่ไม่ยัง่งยืนว่าเป็นของยั่งยืนสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยง สิ่งที่กรปรกว่าเป็นของสะอาดมันก็ผิดหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะความจริงมันเป็นอย่างไรเราไม่ทราบในใจของเราเราจรึงเกิดทุกเกิดโทษถ้าพิจาราให้รู้เห็นรูปประธรรมนามธรรมตามเป็นจริงมันจึงสงบมันจึงสบายทุกระยะเวลาที่ตังหน้าตัณหาปฏิบัติ ขอให้มีสติมีปัญญาตรวจตาพิจารณารูปประทรมนามธรรมของตัวได้เชื่อคูปฏิบัติตามสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนสติปัญญาเป็นสันเลขาธรรมคําว่าสันเลขาเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาต่างชาติ ถ้าพูดเป็นภาษาไทยสันเลขาคือการ <c oughs> คือทำสิขับไล่ความสงสัยเจ้าหมองต่างๆออกจากใจถ้าพูมีสติปัญญามันขับไล่สิ่งที่จอมปอมต่างๆให้ตกออกไปความยึดถือต่างๆที่เคยยึดถือ เมื่อมีสติปัญญาขับไล่เข้าใจในจริงนั้นตามเป็นจริงของมันแล้วมันจะปล่อยไปวางไปทุกคนเบงต้ น, นมันก็มีการยึดถือมีการฟุงคิดชั่วผิดต่างๆพอมาปฏิบัติต่างหน้าต่างตาฝึกภาวนาชำระใจมีสติ เฝารักษามีปัญญาสอนใจสิ่งที่มันเคยยึดถือกุงคิดติดข้องต่างๆนา ม, มาทุจริตนาเพื่อสำลัเพื่อเข้าใจในสิ่ง น, น, นั้นตามเป็นจริงมันก็ตกออกไปหล่นออกไปหมดออกไปพอมันจะเหลือวิอสัยไม่ได้เหนือสติปัญญาไปไม่ได้สาหรับกิเลสปัญหานี่ ไม่นำมาที่นี่ที่เจนาะไม่นำมาปฏิบัติไม่นำมาศึกษาเต่ษ ป, ปัญญามันจึงไม่เกิดขึ้นความทุกข์ของจิตของใจทั้งทั้งที่ไม่มีโรคภัยทางกายอาหารการบริโภคขวฉันอิ่มน้ำสำลามผ้าผอนท่านสบายก็มีชานีสออยที่อยู่ที่อาศัย ก็มีอยู่มีอาศัยตลอดถึงยาสำหรับแกโรคไัเขาก็หามาให้มันสุกมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่จิตใจนั้นมันไม่สุกให้เหตุใดมันจึงไม่สุกมันไม่มีธรรมไม่มีความสงบไม่มีสมณนะมีแต่อารมณ์สัญญามาลากดึงออกไปเรื่อย จึงยุ่งเกี่ยวกับรูปเสียงเรื่องราวต่างๆถือว่ามันสวยมันงามถือว่ามันดีมันวิเศษทั้งๆที่รูปก็มีในตัวเสียงก็มีในตัวกลิ่นรสสัมผัสอะไรมีในตัวทางนั้นมันมองห่างออกไปจากกายจากใจของตัวมันไปติดไปคล้องรูปเสียงเอื่องราวข้างนอก มันจึงไม่สงบมันจึงเดือดร้อนถ้าหากวกเข้ามาย้อนเข้ามาที่เจณากายใจถึงเป็นรูปประทามนามะธรรมพายหนอย่าให้จิตใจออกไป้างนอกดูให้มันเห็นชัดเจนไปจับทั้งหลับตาลืมตารู้เข้าใจว่ารูปอันนี้มันเป็นอย่างไร มันยีหลังอย่างเยืนไหมสิ่งที่เราไปจิดข้องยึดถือ น, นั้นนั้นถ้ารูปของเราเป็นอย่างไรเข้าใจตามเป็นจริงแล้วรูปเหล่านั้นมันก็เหมือนกันหมดมันจริงเดยไปแก้ที่อื่นแก้ที่จิตที่ใจดูที่การที่ใจของตัวมันก็ทั่วไม่ต้องไปเที่ยวัฒนารจอดู ประเทศนั้นประเทศนี้จะไปโลกพระจันท์พระอังคารพระสุกพระเสาที่ไหนก็ไปเถอะถ้าหากไม่ํำระใจข้องตัวไม่เห็นจริงในรูปในนามข้องตัวตามเป็นจริงแล้วจะหลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันที่จะสงบเป็นสมณะมีแต่คิดใหญ่ไฟสูงเลือ่อยไปนี่คือใจปราศจากธรรม ตาสัจกสติตาสัจกปัญญาปราศจากธ ร, ร ร, รมะมันจึงเดือดร้อนแต่นั้นเรามาประปฏิบัติตรงนี้ยสอนตัวของตัวห้ามกัน้นอารมณ์นอกที่ผ่านมาห้ามกัน้นอารมณ์ภายในที่ปรุงคิดขึ้นดูสิ่งที่มีอยู่คือกายใจของตัว ให้รู้ให้เข้าใจทั่วถึงนี่คือการปฏิบัติธรรมะจะเป็นสมณะสงบได้เย็นสบายไม่วุ่นวายของจิตคิดแวะไปในรูปเสียงเรื่องราวต่างๆเห็นอา น, นิสงสงในการกระทำบาเพ็ญของตัวมีความเชื่อ ความเลื่อมใสกยกาไหวพระพุทธเจ้าเพราะท่านสอนจริงเห็นจริงเราเพือปฏิบัติถ้าหากไม่มีแสงสว่างของธรรมท่านไม่ได้สอนเอาไว้ท่านได้ส่องทางเอาไว้เราจะไม่มีวันเวลาที่จะเห็นความจริงได้จะไม่ได้สุขไม่ได้สบายอย่างนี้เราจะเหลื่อมใส เป็นใจกราบว่า <c oughs> ยินดีในอดในธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนําสั่งสอนที่ชีวิตอุทิศ ต, ต่อพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์พอได้รับความสุขความสบายความสงบเย็นอย่างนี้ไม่ใช่ได้มาจากที่อื่นได้มาจากพระพุทธเจ้าคนขว้าง ธรรมะนวมาประกาศต่อสัตว์ที่คองจิตเดยกิเลสตัณหาเมื่อพระพุทธเจ้าปริิปพานไปพาริยสงฆ์ถึงเคยปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงในอาจในธรรมนำธรรมะที่ตนรู้เห็นจากคําแนะนำาคําสอนของพระพุทธเจ้าสืบท อ, อดมา แน่สอนพวกเราเราจึงเหลื่อมสายเต็มใจอุทิศชีวิตต่อท่านนี่คือคนที่เห็นธรรมเข้าใจธรรมจริงจังท่านในตื่นเต้นในเรื่องอื่นคนที่มาปฏิบัติโดยเฉพาะนักบวช ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวยุ่งเกี่ยวกับการงานภายนอกรักษาจิตของตัวให้สุขให้สบายเท่านั้นก็ยังรักษาไม่ได้แล้วจะไปหาความสุขความสบายจากโลกจากข้างนอกอย่าไปคิดเลยว่ามันจะมีความสุขอะไรนี่จมันจะจึงจื่โมกเรื่อยไป ให้เกิดทุกข์เกิดโทษด้วยไปเพราะไม่มีจิตการ ง, งานอะไรในรับผิดชอบอะไรอยู่ภายในวัดปฏิบัติอยู่ในที่วิเว้สงบเรายังหาความสงบไม่ได้ยังหาทางแก้ไขใจที่ชั่วเสียให้ตกออกไปไม่ได้ออกไปภายนอกมันจะมีความสุขความสบายมาจากที่ไหน มันไม่มีทางเพราะตัวคงตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้แล้วเหนือนมีภาระหน้าที่ส่วนอื่นจะไปรักษาสิ่งอื่นให้มันอยู่ในขอบเขตที่เราชอบเรายินดีได้อย่างไรมันไม่มีทางที่จะรักษาได้ความจริงใจที่มันคิดปรุงมันไม่ทราบความจริงของมันตามเป็นจริง หรือทราบมันก็ไม่ถึงใจมันจึงไม่ปล่อยวางอารมณ์สัญญานับนั้นถ้ามันทราบถึงใจมันแจกไขมันปล่อยวางความสุขความสงบมันจึงจะเกิดขึ้นนี่มันไม่ทราบหรือมันทราบอยู่บ้างก็เป็นการเป็นเวลามันไม่ได้ติดต่อนอเนื่องกันไป ใจมันจึงฟุงจึงยึดพยายามฝึกพยายามภาวนารักษาดูภายในคือดูดรูปวัธรรมนามธรรมของตนอยู่ตลอดไปใจมันจะหายหยึดถือติดข้องในเรื่องต่างๆอยา่าไปหลงให้เกิดทุกข์เกิดโทษเรื่องภายนอก เราได้มาเท่าไรเราก็เอาไปไม่ได้แม้แต่กายของเราก็ยังจะแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำลมไฟตามถาดเดิมของมันสึ่งภายนอกที่เราไปวิ่งวุ่นสแสวงหาอยากได้มาเป็นสมบัติของตนมันก็ทำลองเดียวกันมันหาบขนไปไม่ได้และเมื่อจิตยึดถือ เกี่ยวข้องกับสิ่งอันใดสิ่งนั้นจะไม่เป็นภัยแก่ตัวไม่มีเกิดทุกข์เกิดทั่ข เ, เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความสำคัญมันหมายว่าเราอะของของเราเราต้องแก้ไขหายใจเห็นตามเป็นจริงหากวันเห็นตามเป็นจริงมันจะต้องถิ้งต้องปล่อยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นไปยึดมัน มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่ยึดมันมันก็เป็นหนีไปที่ไหนเพราะความเข้าใจตามเป็นจริงมันไม่ยึดแต่ยังยึดยังถือในสิ่งต่างๆว่าอย่างนั้นอย่างนี้็นหมดสติหมดปัญญาหมดธรรมะในตัวมันเดือดร้อนเรื่อยไป คนทุกข์เพราะความหลงของใจยึดสิ่งนั้นถือสิ่งนี้ว่าของของตัวแตนงวนรักษายินดีในสิ่งนอกมากเท่าไรใจก็ยิ่งกังวลวุ่นวายไปเท่านั้นทางธรรมะท่านจึงว่าปิยะตัวสยเตโสโกปิยะตัวสยเ ต, เตพยายาง วารโศกไม่ได้เกิดมาจากที่อื่นเกิดขึ้นจากจิตใจที่รักใคร่ยินดีชอบใจในสิ่งนั่นนั้นเมื่อสิ่งนั้นนั้นแตกผันแตกสลายหรือสิบหายไปเกิดโศกขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นจากจิตยึดถือรักใคร่เต็มใจ เลื่มใส ย, ยินดีในของภายนอกแต่ของภายนอก น, นั่นนั้นหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเวลารได้มามันก็เลยว่ามันเป็นของของเราเวลารมันจากไปมันก็ไม่กลัวเราจะเสียใจอะไรเห็นเขาขโมยไปยึดไฟไหมน้ำท่วมต่า <c> ง <oughs> ๆ น, า น, านาั้นนะ จริงๆเราสงวนรักษาเราถือว่าเป็นของของเราจิตของเราเลยเกิดทุกเกิดโทษขึ้นเนี่ยแต่จริงว่าปิยโตศสยเตภัยอยางมันเป็นไัเพราใจลุ่มหลงเพราใจยึดถือมันเป็นทุกข์เป็นโทษทางธรรมะท่านสอนอย่างนั้นพวกเราท่านอยากมีความสงบอยากมีความสุขปราศจากทุกข์โทษ ทางจิตทางใจก่อพากันนำธรรมะมาที่มิจฉจนาะสำราใจของตัวเพราะสติปัญญาก็ไม่มีอยู่ที่อื่นรูปปรรมนามธรร ม, ม, ม, รรมก็ไม่ต้องไปแสวงหาที่ไหนคือกายคือใจของเรานี่เองอยู่สถานที่ใดไปสถานที่ใดมีธรรมะคือมีสติมีปัญญาอยู่ในตัวศึกษา เราเรียนอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาให้สร้างสิ่งที่จิตใจของสิติคิดแวะในทางชั่วทางเสียรีบสำระอย่าไปถอดทิ้งเอาไว้นี่คือภูมิธรรมะมีสติปัญญาสอนใจรักษาตัวให้พ้นไปจากโลกจากสมมติ ให้จิตใจบริสุทธิ์สะอาดไม่นำทุกน้ำโทษอะไรมาแผดเผาตัวของตัวเองพอรู้เห็นเด่นชัดสิ่งต่างๆตามเป็นจริงของมันคืนเชื่อรูปต้องพิจารณาให้ทั่วตัวของเราเป็นอย่างไรรูปอื่นภายนอกก็เห็นชัดเจนเป็นอย่างนั้น รูปที่ว่ารูปังอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เข้าใจมันเป็นไปอย่างไรที่ไม่เดือดร้อนเพราะทราบว่ามันเป็นอนัตตาไปยึดมันหรือไม่ยึดมันหน้าที่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่ว่ารูปังอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วกว็ทราบตามเรื่องของมัน ไม่ได้ยึดไม่ได้ถือเข้าใจในตัวของตัวถอวถึงเมื่อศึกษารู ป, ปรธรรมนามรธรรมภายในเข้าใจชัดเจนเราจะเห็นสัมณนะคือความสงบของใจมันเกิดขึ้นอย่างไรแปลไปอย่างไรบังคับไม่ได้อย่างไรก็เข้าใจในสิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจที่ไปเห็นไปรู้ ในสิ่งเหล่านั้นนั่นไม่ได้เป็นไปตามธาตุตามขันตามรูปตามนามนันเป็นอย่างไรมันป ก, กติอยู่ทุกการทุกสมัยมันไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ไปเห็นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเป็นคนละอัน นี่คือการปฏิบัติตามศาสตร์ธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้จิตตัางหน้าต่างตาศึกษาตั้งหน้าต่างตาปฏิบัติอย่าไปคิดว่าธรรมะมันหมดการหมดสมัยหรือคิดว่าเราอาภัพอัปวาสนา ไม่มีโอกาสเวลาที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าไปคิดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าหรือ อ, อ, อริยสงฆ์ท่านก็มีคิเลสปัญหาหนาแน่นเหมือนกันกันกบพวกเราแต่ท่านทำไมท่านจึงศึกษาเ ข, ข้าใจสำารแจกไขถึงความบริสุทธิ์ได้เราจะอาพับเอาบาสนามาจากที่ไหนอะไรเราขาดตกบกพร่องนอกจาก เราไม่ต่างนาต่างตางที่นี่พี่แจนะปฏิบัติตามธรรมะทถานั้นจิตใจของเราจึงยึดถือจึงเดือดร้อนสงสอนตัวอย่างนั้นแต่เราสอนตัวอย่างนั้นอยู่ทุกวันทุกเวลาดูภายในคือดูรูปธรรมนามธรรมด้วยสติด้วยปัญญาของตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วทุกคนจะมีความสุขความสงบ เป็นสมณะไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายถึงเป็นถึงตายก็สงบอย่างเดิมไม่มีอะไรที่จะทำความรู้สิกของใจให้เศร้าหมองให้เสียหายถ้ายังไม่ถึงไม่รู้อย่างนั้นจงรีบแต่ทำบำเพ็ญเข้าไปให้ใจเป็นสมณะ จะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาคิดตึงอะไรก็ให้มีสมณะสัญญาว่าเราเป็นสมณะหาความสงบไม่ใช่หาความปุ่งปุ่งยุ่งเกี่ยวสำหรับเรื่องที่เหลือปัญหามาณพิจิต่างๆเมื่อทุกคนศึกษาปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอทุกคนใช้เวลาพอยุิเปลี่ยนถิ่นเอ๋ยบัง